ทำเวลาพอกูก็เคยแนะนำธรรมสนว่าอยากให้บ้านเมืองของเราจเจริญน่ะไม่ยาก ต, ตั้งอยู่ในองค์บัญจัทั้งห้าข้อครับคือรักษาศีลหา้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ยัยขาดอย่ายให้ดังอย่ายให้พร่อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลยแค่นี้ก็ตามแม้แต่เป็นพระเราก็ต้องรักษาศีลหา้าถ้าไม่มีศีลห้าประจําใจไม่ว่าพระรูปหนึ่งรูปใดเป็นพระไม่ได้เหมันกัน